45, สี่สิบ้าพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยาณสาังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆอารักั์ การอบรมกำลังใจอันหนึ่งเมื่อได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยที่เป็นส่วนสุตตามยะปรรยัญญาอินตมยะปัญญาพอสมควรเพื่อจะให้บริบูรณ์ก็ควรจะสนใจภาวนาเพื่อให้เป็นภาวนามยะปัญญาสืบต่อไปภาวนานั้นก็คือการปฏิบัติการปฏิบัตินั้น ควรที่จะใช้ในเวลาอยู่ในเพศบรรระชิดหรือว่าควรที่จะใช้ในเวลาเป็นเพศคฤหัสถ์ด้วยเมื่อพิจารณาดูแล้วการปฏิบัติอบรมใจให้เป็นสมาธิและการปฏิบัติอบรมปัญญาพอสมควรเป็นประโยชน์ตลอดถึงเป็นคฤหัสถ์เพราะว่าการปฏิบัติอบรมใจให้เป็นสมาธินั้นเป็นการหัดทำใจให้ตั้งมั่นแน่วแนว่ทาใจให้มีกาลังสามารถไม่อ่อนแอ ทำให้เป็นคนมีสัจจคือมีความจริงเมื่อจะทำอะไรก็ทำจริงตั้งมั่นแน่วแน่ไม่หลอกแหละ ย, อยอ่อหย่อนเรื่องกําลังใจนี้สำคัญมากคนเราที่เสียไปเพราะกําลังใจอ่อนแอมีมากมายเหมือนอย่างที่ทางรัฐบาลได้ปรารพต่อทางคณะสงฆ์ถึงผู้ที่ติดเฮโรอีนคือว่ามีมากที่ได้รับการรักษาให้เป็นปกติแล้ว แต่ว่าครั้งปล่อยตัวไปแล้วก็ไปสู่เอาราอีนเข้าอีกนี่ก็แปลว่าขาดกำลังใจจึงได้ขอให้ทางคณะสงฆ์ช่วยเทพเป็นการกระตุ้นเตือนให้เกิดกำลังใจเพราะว่าทางศาสนานี้เท่านั้นที่จะเป็นแหล่งอบรมพ่อคูณให้เกิดกำลังใจในทางที่ดีแก่ประชาชนได้จิตใจของเรานี้มีสมรรภาพอยู่อย่างไม่มีประมาณ แต่ว่าเรายังไม่ได้นำสมรรถภาพของจิตใจนี้ออกใช้กันให้เต็มที่เพราะว่ายัางไม่ได้อบรมเมื่อเรามีความตั้งใจจริงแล้วทำไมเราจึงจะละความไม่ดีไม่ได้และทำไมเราจึงจะทำดีไม่ได้เหมือนอย่างว่าก่อนที่จะมาบวชนี้เราก็เคยปฏิบัติอย่างเครือขันไม่ได้เว้นอะไรอย่างพระเว้นไม่ได้ทําอะไรอย่างพระรมอยากจะกินอะไรก็ได้ อยากจะดื่มอะไรก็ได้อยากจะดูอะไรก็ได้จะเป็นนักดื่มสักแค่ไหนก็ได้ทำไมเมื่อเข้ามาบวชแล้วเว้นได้ก็เพราะว่าเรามีความตั้งใจจริงแต่ว่าเมื่อสึกไปแล้วทำไมเราจึงจะรักษาความตั้งใจจริงอันนี้ไว้ไม่ได้โดยที่จะละเว้นการที่ควรเว้นทำการที่ควรทำไม่ใช่ว่าเหมือนอย่างพระแต่ว่าเหมือนอย่างที่คนดีทั่วทวไปปฏิบัติกันอยู่แต่ว่าถ้าขาดกาลังใจเสียแล้ว เคยอย่างไรก็จะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะตราว่าโบูไม่มีประโยชน์เพราะว่าแก้อะไรไม่ได้เคยไม่ดีมาอย่างไรก็ไม่ดีไปอย่างนั้นหรือว่าเคยดีอยู่เท่าไหร่ก็ดีอยู่เท่านั้นคือไม่ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงควรที่จะต้องมีการปฏิบัติอบ ร, รมใจให้เป็นสมาธิเป็นการสร้างกําลังทางใจประการหนึง่งและอบรมปัญญา ให้มีความรู้สึกพอเป็นเครื่ององคตกในเรื่องโลกทั้งหลายบ้างตามสมควรอีกประการหนึ่งอันหนึ่งการบทเรียนนี้เท่ากับว่าเป็นโรงเรียนดัดนิสัยขั้นสุดท้ายถ้าเข้าโรงเรียนนี้ยังแก้อะไรไม่ได้แล้วก็ยากที่จะไปแก้ในที่อื่นและในวิธีแก้ของโรงเรียนนี้ก็มุ่งให้แก้ด้วยตนอและที่ตนเองนี่เป็นประการสาคัญ ซึ่งเป็นวิธีการอบรมอย่างละเอียดประณีตและบรรดาผู้ที่เข้ามาบวชก็เป็นผู้ที่สมัครเข้ามาแปลว่าตั้งใจพร้อมที่จะรับการอบรมอยู่คือมีเจตนาเป็นกุศลมาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วเมื่อรักษากุศลเจตนาที่ได้ตั้งมาแต่ในเบื้องต้นนั้นไว้และตั้งใจปฏิบัติที่ตนด้วยตนเองดังกล่าววันนี้ก็จะรับการอบรมได้โดยง่ายและได้ด้วยดี อภิธรรมเจ็ดคำพีจะแสดงภาษาที่เจ็เรื่องพระพุศลเจ้าทรงแสด ง, สดงอภิธรรมต่อไปคําว่าอภิธรรมนั้นประกอบด้วยศัพท์ว่าอภิแปลว่ายิ่งกับธรรมรวมกันแปลว่าธรรมะยิ่งหมายความว่าธรรมะที่ยิ่งกว่าจํานวนโดยปกติเพราะว่าได้จําแนกไว้โดยพิสดารอีกอย่างหนึ่งหมายความว่า ธรรมะที่ยิ่งคือพิเศษหมายความว่าแปลกจากธรรมะในปีดอื่นความหมายนี้ต่างจากคำว่าอภิธรรมอภิวินัยที่ใช้ในพระสูตรเพราะในที่นั้นคำว่าอภิหมายความว่าจำเพาะธรรมะจำเพาะวินัยคือมีเขตแดนไม่ปะปนกันอีกอย่างหนึ่งอภิในที่นั้นก็หมายความว่ายิ่งนั่นแหละแต่ไม่ได้หมายไปถึงอีกปีดนึ่งคืออภิธรรม หมายถึงโพธิปักขียธรรมอธิวินัยก็หมายถึงอาทิตยปรมจจริยกาสิกขาคือสิกขาบทมาหลายพระปาติโมกแต่ว่าในที่บางแห่งคําว่าอาภิธรรมหมายความว่าธรรมะที่เป็นอธิบายทํานองอัตตกถาคือกะถาที่อธิบายเนื้อความถ้าตามความหมายหลังนี้อาภิธรรมก็คือเป็นตําราที่อธิบายธรรมะ ส่วนที่แสดงความของสัตย์อภิธรรมว่าธรรมะที่ยิ่งดังกล่าวข้า ง, งต้นนั้นเป็นการแสดงตามคัมภีอัตถกถาอภิธรรมแต่ถ้าไม่อ้างคมภีนั้นว่าเอาตามที่พิจารณาจะแปลว่าเฉพาะธรรมก็ได้เพราะว่าในคมภีอภิธรรมได้แสดงเฉพาะธรรมะไม่เกี่ยวกับบุคคลอภิธรรมมีเจ็ดคำพีเรียกว่าสัตตะกรอนดังกล่าวแล้ว คือหนึ่งธรรมสังคณีแปล ง, ง่ายๆว่าประมวลหมวดธรรมะสังคณีก็แปลว่าประมวลเข้าเป็นมหมู่หมวดธรรมสังคณีก็แปลว่าประมวลธรรมะเข้าเป็นหมวดหมู่จำแนกออกเป็นสี่กันคือว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งจิตแปดสิวงกันหนึ่งว่าด้ยวยรูปโดยพิสดารกันหนึ่ว่าด้วยนิเคปะแปลว่ายกธรรมะขึ้นแสดงโดยมุลราก โดยขันคือกองโดยทวารเป็นต้นกันหนึ่งว่าโดยอัตตุตานหรืออัตตกถาคือว่ากล่าวอธิบายเนื้อความของแม่บทนั้นที่แสดงไว้ตั้งแต่ต้นกันหนึ่ง 2. วิพังแปลว่าจำแนกธรรมะลำพังศัพท์ว่าวิพังแปลว่าจำแนกมีสิบปดวิพังคือขันทวิพังจำแนกขันอายตนวิพังจำแนกอายตนะ ธาตุวิพังจําแนกธาตุเป็นต้นสาธาตุกถาว่าด้วยธาตุแต่โดยที่แท้นั้นว่าด้วยขันอาญตนาะธาที่สงเคราะห์กันเข้าได้อย่างไรและสงเคราะห์กันไม่ได้อย่างไรคุณจะเรียกชื่อเต็มที่ว่าขันอาญตนาะธาตุกถาแต่เรียกสั้นๆว่าธาตุกถาแบ่งออกเป็นสิบสี่หมวด มีการสงเคราะห์กันได้การสงเคราะห์กันไม่ได้แห่งส่วนทั้งสานั้นเป็นต้นสปุคละบัญญัติบัญญัติว่าผุ้คลเป็นเบื้องต้นของคัมภีร์นี้ได้แสดงถึงบัญญัติหกประการคือขันธบัญญัติบัญญัติว่าขันธ์อายตนะบัญญัติบัญญัติว่าอายตนะธาตุบัญญัติบัญญัติว่าธาตุสัจจบัญญัติบัญญัติว่าสัจจะ อินทรียบัญญัติบัญญัติว่าอินทรียปุคคลบัญญัติบัญญัติว่าบุคคลแต่ว่าบัญญัติ5ประการข้างต้นนั้นได้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์แรกๆแล้วในคัมภีร์นี้จึงได้กล่าวพิสดานแต่เฉพาะปุคคลบัญญัติคือบัญญัติว่าบุคคลและเรียกชื่อคัมภีร์ตามนี้ในคัมภีร์นี้แยกบุคคลตั้งแต่พวกหนึ่งสองจำพวกขึ้นไปคลายกับในสุดตันติดก อังกุตรนลกายคือตอนที่แสดงธรรมะเป็นหมดหมดแต่ว่าก็มีเงื่อนเขาอยู่ในคมพีอภิธรรมนี้เพราะมีคำว่าบัญญัติอยู่ด้วยอันหมายความว่าที่จะเป็นบุคคลเพราะมีบัญญัติชื่อว่าบุคคลเพราะฉะนั้นคำว่าบุคคลนั้นก็เป็นเพียงบัญญัติอย่างหนึง่งเท่านั้นก็เป็นลักษณะของอภิธรรม5กระทาวัตถุคำว่าวัตถุแปลว่าที่ตั้งแปลว่าเรื่อง กถาวัตถุก็แปลว่าที่ตั้งของถ้อยคําเรื่องของถ้อยคําในคัมภีร์นี้ได้แสดงที่ตั้งของถ้อยคําซึ่งกล้าโต้กันอยู่สองฝ่ายคือฝ่ายสักาวาทัตห้าร้อยสูตรฝ่ายประวาทะห้า้อยสูตรรวมเป็นพันสูตรคือว่าพันเรื่องแต่ไม่ใช่เป็นคัมภีร์ที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเป็นคำภีรที่ว่าพระโมคคิลีบุตรติกสะเถระ แสดงในสมัยสังคายาครั้งที่สามเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไปแล้วสองรปีเสษแต่ท่านก็ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงในหรือว่าตั้งมาตดิกาคือแม่บทไว้ให้แล้วพระเถระได้แสดงไปตามแม่บทนั้นที่ท่านนับว่าเป็นพุทธภาษิตด้วยก่อนแต่นั้นจินมีเพียงหกคำพีโดยเฉพาะคำพีนี้เองก็ถูกค้านเหมือนกันว่าไม่ควรใส่เข้ามา ถ้าต้องการจะให้ครบเจ็ดก็ให้ใส่คำพีธรรมะไทยหรือว่าคำพีมหธาธาตุกถาแต่ว่าฝ่ายที่ยืนยันให้ใส่คำพีนี้เข้ามาก็อ้างว่าสองคำพีนั้นไม่เหมาะสมคำพีนี้เหมาะสมกว่าก็คงจะเป็นว่าความเห็นส่วนมากในที่ประชุมต้องการให้ใส่คำพีนี้เข้ามาให้ครบเจ็ดทำไมจึงต้องมีเกมเจ็อันนี้ไม่ทราบอาจจะเป็นเพราะเห็นว่าเหมาะก็ได้ จึงได้ใส่เข้ามาเมื่อใส่เข้ามาก็รวมเป็นเจ็ดในคาถาวัตถุนี้มีเรื่องที่โต้กันอยู่มากเกี่ยวแกะละ่ลัทธิต่างๆที่แตกแยกกันออกไปเกี่ยวกับความเห็นต่างๆเป็นต้นว่ามาติหนึ่งว่าพระอรหันต์เมื่อบรรลุพระอรหันต์นั้นไม่รู้เองต้องมีผู้อื่นมาบอกให้อีกมติหนึ่งว่ารู้ได้เองไม่ต้องมีผู้อื่นมาบอกมติหนึ่งว่าจิตเป็นธรรมชาติที่ดำรงอยู่ ทนองจิตมาตะนั่นแหละแต่อีกมติหนึ่งขัดค้านดังไม่เป็นต้นเพราะฉะนั้นคัมภี์กถาวัตถุจึงเท่ากับว่าเป็นที่รวมของปัญหาโต้แย้งต่างๆที่เกิดมีมาโดยลําดับจนถึงในสมัยที่รวบรวมเรียบเรียงคัมภีร์นี้ขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารู้น่าเห็นอยู่มากและเมื่อได้อ่านคมภีร์นี้ก็จะทราบว่าได้มีความเห็นแตกแยกกันในพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง เมื่อท่าแสดงถึงข้อที่แตกแยกโต้เถียงกันแล้วในที่สุดท่านก็ตัดสิงเป็นข้อๆไปว่าอย่างไหนถูกก็เข้าเรื่องที่เล่าว่าพระเจ้าอาโศกใช้ราชาลุภาพไปสอบสวนที่สุขในครั้งนั้นปรากฏว่ามีพวกเดียรถีเข้ามาปลอมบวชเป็นอันมากได้ตั้งปัญหาขึ้นถามโดยมีพระโมคครีบุตรติสัเถระเป็นผู้คอยฟังวินิจฉัยเมื่อคาตอบนั้นซองว่าเป็นลทัทธิภายนอก ไม่ใช่เป็นพระพุทธศาสนาก็ให้สึกไปเหลือไว้แต่ผู้ที่ตอบถูกต้องตามแนวของพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วก็ทำสังคยนาครั้งที่สามหกยมกแปลว่าคู่คำพีนี้ว่าด้วยธรรมะที่เป็นคู่คู่กันแบ่งออกเป็นสิบหมวดมีมูลยะยมกขันธยมกเป็นต้นเจ็ดปัจฐาน คำพีนี้เรียกว่ามหาปรกรณ์แปลว่าปรกรณ์ใหญ่หรือคำพีใหญ่คู่กันกับปรกรณ์ที่หนึ่งคือธรรมสังคณีว่าด้วยปัจจัยยี่สบสี่มีเหตุปัจจโยคือเหตุเป็นปัจจัยเป็นต้นท่านนับถือว่าคำพีที่เจ็ดนี้มีอัตลึกซึ้งและแสดงว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอภิธรรมทั้งเจ็ดคำพีนี้ที่รัตนครเจดี เจดเรือนแก้วที่แสดงแล้วนั้นเมื่อพิจารณาประการแรกๆมาฉับพันรังสีก็ยังไม่ปรากฏต่อเมื่อมาพิจารณาประการที่เจ็ดนี้จึงปรากฏฉับพันรังสีขึ้นก็รวมเป็นเจ็ดคำภีในคำภีที่หนึ่งธรรมะสังคณีที่ประมวลธรรมะได้ตั้งแม่บทที่เป็นหมวดสามขึ้นต้นว่ากุศลาธรรมะทำทั้งหลายที่เป็นกุศล อกุศลธรรมมาทำทั้งหลายที่เป็นอากุศลอัพยากตาธรรมมาทำทั้งหลายที่เป็นอัอ พ, ยททยนอพยากฤตถือว่าไม่พยากรณ์ว่าเป็นกุศลหรืออากุศลถือว่าแม่บทนี้เป็นแม่บทใหญ่เป็นที่ลมของธรรมะทั้งหมดที่แสดงออกไปทั้งเจ็ดคำพีเพราะว่าประมวลลงในแม่บทอันนี้ทั้งนั้น คพีอภิธรรมมัทสังหะอภิธรรมเจ็ดคำพีนี้ถ้าจะเรียนกันโดยลำดับให้ครบถ้วนก็จะต้องใช้เวลานานเพราะมีข้อความที่สลับซับซ้อนพิสดารมากฉะนั้นต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไปอยู่ในขนาดพันปีได้มีพระเถระรูปหนึ่งชื่อท่านอนุรุทธะ ได้ประมวนเนื้อความของอภิธรรมทั้งเจ็ดคำพีนี้มาแต่งไว้โดยย่นยอ่อเรียกว่าคำภีอภิธรรมมัฏสังกะหะแปลว่าสงเคราะห์คือสรุปความแห่งอภิธรรมยกหัวข้อเป็นสี่คือหนึ่งจิต 2. เจตสิกแปลว่าธรรมะที่มีในใจ 3. รูปสนิพพานท่านแต่งเป็นคาถาสลับร้อยแก้ว แบ่งออกเป็นเก้าป ร, เริเชตคือเก้าตอนเป็นหนังสือเล่มเล็กๆไม่โตมากคำพีอภิธรรมมัตสังกหากนี้เป็นที่นิยมกันมากเมื่อเรียนตามคำพีนี้แล้วไปจับดูอภิธรรมเจ็ดคำพีก็จะเข้าใจได้โดยง่ายโดยตลอดเป็นการเรียนลัดพิจารณาดูตามหัวข้อที่ท่านวางไว้เป็นสีน่นี้ตามความเข้าใจจิตนี้เป็นตัวยืนโดยปกติ จิตก็มีดวงเดียวจิตจะเป็นต่างๆก็เพราะมีเจตสิกแปลว่าธรรมะที่มีในใจมีเจตสิกเป็นอย่างไรจิตก็เป็นอย่างนั้นเจตสิกจึงเป็นสิ่งที่มีผสมอยู่ในจิตเปรียบเหมือนอยงว่าน้ำกับสีที่ผสมอยู่ในน้าน้ำโดยปกติก็เป็นอย่างเดียวแต่เมื่อใส่สีลงไปน้ำจึงเป็นน้ำสีนั้นน้ำสีนี้ฉะนั้น ในอภิธรรมจึงแจกจิตไว้ถึงแปดสิบเก้วงก็ด้วยอำนาจของเจตสิกนี้เองยกเจตสิกออกแล้วจิตก็เป็นอันเดียวเท่านั้นแจกออกไปเป็นอย่างไรไม่ได้แต่ว่าทั้งจิตและเจตสิกนี้ก็อาศัยอยู่กับรูปรูปที่อาศัยของจิตและเจตสิกถ้าจะเปรียบก็เหมือนอย่างว่าน้ําที่อาศัยอยู่ในขวดน้ําถ้าหากว่ารูปแตกทําลายจิตก็สิ้นที่อาศัย เหมือนอย่างว่าขวดน้ําแตกน้ําก็หมดที่อาศัยและนิพพานนั้นก็เป็นธรรมะที่สุดในเมื่อได้ปฏิบัติจิตสูงขึ้นโดยลําดับเบื้องต้นก็เป็นกามาวจรจิตจิตที่ท่องเที่ยวไปหรื อ, อยังลงในกามเป็นรูปาวจรจิตจิตที่ยังลงในรูปคือรูปฌานอารูปาวจรจิตจิตที่ยังลงในอรูปฌานโลกุตระจิตจิตที่เป็นโลกุตระ คือมรรคผลก็บรรลุนิพพานเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นจึงประมวลหัวข้อเป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานแล้วก็จัดธรรมะในอภิธรรมทั้งเจคัมภีร์นั้นเข้าใส่ในหัวข้อทั้งสี่นี้ทั้งเจดคัมภีร์นี้เราเรียกย่อกันว่าสังวิทาปุกกะยะปะคือเอาอักษรต้นเรียกว่าเป็นหัวใจอภิธรรมเหมือนอย่างจิตเจตสิกรูปนิพพานเรียกว่าจิเจโรนิ หรืออริยสั์ก็เรียกว่าทุสักนิละคือเอาอักษรแรกความจริงนั้นก็เพื่อกำหนดง่ายเมื่อจำได้เพียงเท่านี้ก็เป็นอันว่าเพียงพอแต่ก็มาเรียกกันว่าหัวใจเราก็ใช้เขียนลงในเหรียญในเครื่องรางต่างๆวัตถุประสงค์ในทีแรกก็เพื่อจะเป็นเครื่องกำหนดง่ายเท่านั้นคำพีอภิธรรมตลอดจนถึงอภิธรรมมตสังกหะตกมาถึงเมืองไทย ก็มาใช้เกี่ยวแก่การศบเป็นพื้นเช่นว่าสวดสบตอนกลางคืนก็สวดอภิธรรมทั้งเจ็ดคำพีนี้เองแต่ว่าตัดเอามาแต่ข้างต้นคำภีละเล็กละน้อยและเมื่อเวลาที่จะบังสุกุลหรือจัดสดับปรกรณ์มีสวดมาติกาก็คือว่ายกเอามาติกาคือแม่บทจากคำพีที่หนึ่งมาสวดตอนหนึ่งขึ้นต้นว่ากุศลาธรมมาเป็นต้น แลมคำพีอภิธรรมมัตสังขะนั้นท่านแต่งเป็นคาถาก็นํามาสวดเป็นสระพัญญะในการศัอีกเหมือนกันคือถ้าไม่สวดอภิธรรมเจ็ดคำพีก็สวดอภิธรรมมัตสังขะเป็นสระพัญญะครั้นมาในตอนหลังนี้ได้มีผู้สนใจศึกษาอภิธรรมมากขึ้นกว่าแต่ก่อนจิตสวยอารมณ์ ได้กล่าวแล้วว่าอภิธรรมเจ็ดคำพีนั้นท่านพระอนุรุปถาจารย์ได้ประมวลเนื้อความมาแต่งเป็นคมภีร์ย่อขึ้นอีกคมภีร์หนึ่งเรียกว่าอภิธรรมมัตสังคขะแปลว่าสงองเคราะห์เนื้อความของอภิธรรมยกหัวข้อเป็นสี่คือจิตเจตสิกรูปและนิพพานแบ่งออกเป็นเก้าปริเชษคัมภีร์ย่อนนี้เป็นที่นับถือและศึกษากันมาเป็นเวลาช้านาน จนกระทั่งบัดนี้จะได้เก็บบังตอนที่น่าจะพอเป็นที่เข้าใจได้ง่ายมาแสดงจากอภิธรรมมัตสังขะนั้นหัวข้อแรกคือจิตจิตนี้แสดงอาการออกทางทวารทั้งหดังที่ได้เคยอธิบายมาแล้วคือออกมารับรูปอารมณ์อารมณ์คือรูปทางจักขุทวารรับศรัทธารมณ์อารมณ์คือเสียงทางโสตทวาร รับันธารมณ์อารมณ์คือกลิ่นทางข า, านัตวารรับระสารมณ์อารมณ์คือรสทางชิวหาทวารรัโผฏฐพารลมอารมณ์คือโผฏฐะคือสิ่งที่กายถูกต้องทางกายทวารรัธรรมารมอารมณ์คือธรรมะคือเรื่องของรูปเสียงเป็นต้นที่ได้ประสบพกผ่านมาแล้วในอดีตทางมโนถวาร ในตอนนี้การแสดงวิธีจิตคือทางดำเนินของจิตแยกเป็นสองคือทางปัญจทวารทวารห้าได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายส่วนหนึ่งทางมโนทวารอีกส่วนหนึ่งและจิตโดยปกติเมื่อยังไม่ออกมารับอารมณ์ดังกล่าวแล้วเรียกว่าพวังคจิตพวังคะแปลว่าองค์แห่งภพพวังคจิต จิตที่เป็นองค์ภพแต่โดยความหมายหมายถึงจิตที่เป็นปกติยังไม่ได้ออกมารับอารมณ์คราวนี้เมื่อมีอารมณ์ห้ามากระทบกับประสาททั้งห้าคือมีรูปมากระทบจากขบเสียงมากระทบโสตตกลิ่นมากระทบคานะรสมากระทบชิวหาและผลพัพน์มากระทบกายก็มากระทบถึงจิต จิตที่ยังอยู่ในผวังนั้นก็ตื่นจากผวังออกมารับอาวัชนะคือคำนึงถึงอารมณ์เมื่อเป็นอาวัชนะก็เป็นวิญญาณคือถ้ารูปมากระทบก็ได้เห็นอารมณ์นั้นเป็นจักขุวิญญาณถ้าเสียงมากระทบก็ได้ยินอารมณ์นั้นเป็นโสตะวิญญาณถ้ากลิ่นมากระทบก็ได้กลิ่นอารมณ์นั้นเป็นขานะวิญญาณเมื่อรบมากระทบ ก็รู้รสอารมณ์นั้นเป็นจิวหาวิญญาณเมื่อสิ่งที่กายถูกต้องมากระทบก็รับกระทบอารมณ์นั้นเป็นกายวิญญาณเมื่อเป็นวิญญาณต่อไปก็เป็นปฏิันะคือรับอารมณ์ต่อไปก็เป็นสันตรชนะคือพิจารณาอารมณ์ต่อไปก็เป็นวัฏฐะนะกำหนดอารมณ์ต่อไปก็เป็นชวชนะคือแล่นไปในอารมณ์ ต่อไปก็เป็นตถาลัมพนาะคคือหน่งอารมณ์นั้นแล้วก็กลับตกภวังใหม่เปรยียบเหมือนอย่างว่าภาวังกัจิตเป็นพื้นทะเลส่วนวิถีจิตคือทางดําเนินของจิตดังกล่าวมานั้นเป็นคลื่นทะเลที่เกิดขึ้นคลื่นที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นคลื่นทะเลปรากฏขึ้นมาแล้วกลับตกไปเป็นพื้นทะเล ติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิคนสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ในตอนต่อไป